ฉันรู้สึกถึงพลังกำลังที่ประจุแน่นหนาและเห็นตนเองกำลังจะเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก